พิธีสละขคนเจียมที่เป็นนสิสกีสละแก่สง์ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสง์ผอมอุตราสงช่วียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญขนเจียมเหล่านี้กระผมใช้ให้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติซักเป็นนสิสกีกระผมสละขคนเจียมเหล่านี้แก่สงครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติ พึงคืนคนเจียมที่เธอสละให้ด้วยยติกร ม, มะวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าคนเจียมเหล่านี้ของภิกษุเช่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่สงถ้าสงคร้องกันแล้วก็พึงให้คนเจียมเหล่านี้แก่ภิกษุเช่อนี้สละแก่คณะภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูปห่มอุตราสงเฉวงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษา นั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญขนเจียมเหล่านี้กระผมใช้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติให้ซักเป็นนิสกีกระผมสละกคนเจียมเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายครั้นสลัแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนขนเจียมที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าขนเจียมเหล่านี้ของภิกษุเช่นนี้เป็นนิสกีเธอสลักแก่ท่านทั้งหลาย ถท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วก็พึงให้คนเจียมเหล่านี้แก่ภิกษุเช่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุรูปนั้นพึงก็ไปหาภิกษุรูปหนึ่งห่มอุตราสง์เฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านครับคนเจียมเหล่านี้กระผมใช้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติให้ซักเป็นนิสสคีกระผมสละคนเจียมเหล่านี้แก่ท่านครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้รับสละนั้นพึงรับอาบัต แล้วคืนคนเจียมที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่ากระผมคืนคนเจียมเหล่านี้ให้แก่ท่าน